ปฏิบัติทำต็มที่เนาะให้คะแนนแตัวเองได้ไหมเต็มร้อยได้เท่าไหร่ให้ทำความเพียร น, นะได้กี่กีคะแนนนะคะแนนความเพียรความขยัน นี่ก็อากตัวหนึ่งนะคะแนนความเพียรความขยันหรือจะเกมฑียวัตอียงันเนือคะแนนความหลงกับความรู้นะอันไหนมากกวากันนะนะนเราก็ประเมินน ะ, นะบางทีก็วันหนึ่งก็ประเมินดูตัวเองนะกวันหนึ่งคือบางทีก็อาจจะเป็นอาทิตย์นะ แต่ประเมินก็ไม่ใช่แบบไปประเมินแบบจะไปทำให้ตัวเองกดดันเป็นทุกข์อะนานั้นนะแต่เราประเมินนะเอออย่างวันนี้เราได้เก็บอารมณ์นะเราได้ปฏิบัติเต็มที่เราได้ทำมันเต็มที่นะหรือเปล่านะนะเราสำรวมเราเลฟังนะสิ่งที่มันจะหลง สิ่งที่มันจะเพลยไปเรารู้ทันมันไม่อยู่เลยนนะอมอิริยบดใหญ่อิริบทในรูปแบบเราก็ทํามันเต็มที่ได้กี่ชั่วโมงนะอิริยาบทย่อยนะเ ร, เราได้เได้เก็บเกี่ยวอิียาบย่อยได้ไหมนะกินข้าวสองมือนะทานปะาหนึ่งมนะือน่ะเดินกลับไปที่พักอาบน้ําแต่งตัวนะ เาได้เก็บพวกนั้นไหม <c oughs> นะถ้าได้เก็บพวกนี้ด้วยนะเรียกว่าเราเราเป็นคนที่ฉนะลาดขึ้นนะ่ะมีความเทียนนะไม่ประมาณนทะไม่ประมาทในอิริวรัตย่อยๆเราก็ยังขยันช่วยโอกาสได้นะฉวยโอกาสในขณะที่แต่ก่อนเคยหลงนะตอนนี้ก็ฉวยโอกาสที่จะรู้ได้นเะนี่คือเรามีความขยันมันเทียนนะ่ะ อย่างบางคนเลยเล่าว่าตอนที่ได้รับจดหมายจากบลงพ่อความเขียนนะบอกคนติดการก็ปฏิบัติทำได้นะก็ถ้าพอปิกมือได้ก็ปิกมือง่ายรู้สึกตัวปิกมือควอมให้รู้สึกตัวทำแบบนี้นะให้รู้นะอยาก็าไปอยู่ ก, ก็ฝังแค่นี้นะท่านก็บอกก็ทำ ตามเหมือพ่อแนะนําอย่างน้อยก็ในรูปแบบวันละ6ชั่วโมงในรูปแบบคือพิกมือง่ายพลิกมือกว้างแค่นี้นะสองข้างส่วนใหญ่จะได้ข้างได้ข้างซ้ายไนมะ่ค่อมีแรงก็ทําแต่ข้างขวานะแต่พอข้างขวาแนละ้ก็เมื่อยก็ทําข้างซ้ายนะประมาณอย่างน้อย6ชั่วโมงนะในรูปแบบ นอกคูบแบบของนขอนใจางคนก็คือเช่นกระพิบตาอนะ้าปากนะขยับศีรษะพักทาาหม่มอะไรพวกนี้นนะคือนอกรูปแบบเก็นะพยายามทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะีนะ่ยมันก็ลองผิดลองผิดลองถูกไปนะแล้วก็คือลองผิดลองถูกบา ง, ง, งทีมันก็ตึงไปนะบางทีก็ไปจ้องไปเพ่งไปบังคับนงะ อยากจะรู้มากๆนะไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันหลงบางทีก็ตึงไปก็นีนะพอตึงแล้วมันก็ทุกข์ใช่ไหม อ, อทุกข์ก็ดีนะเราถ้าเราเห็นทุกข์เราเห็นมันตึงนะเนี่อ่ถ้าเห็นมันก็จะมันก็คลายออกมาได้นะอย่างบางทีพอทาในรูปแบบเยอะๆนะตั้งใจทำส่วนใหญ่มันก็จะมีความตึงบนะ้างแหละตึงแรกก็จะตึงนะอ่า มันก็เอาเกินไปตั้งใจเอาเกินไปอแต่บางทีมันตึงนิดนึงนะพอหย่อนกลับมามันพอดีก็นี้นะอย่างพระอนนท์เนะ่ดำพระพุทธเจ้าท่านเอริยมิตรพาณะท่านก็ได้ความเพียรเพราะว่าหมู่สมก็รอท่านเป็นพระอรหันต์นะจะได้สัมค ย, ยนาทิธีนะรอพระอนนท์อ่ะอย่างเมื่เป็นพระอรหันต์ก็เข้า เป็นพระโซดาวันพระนุนก็ได้เปความเพียร น, นะหามรุ่งหางคนะ่ำนยทำในสัจชิกทั้งคืนนะก็ไม่บรรุทุทางทันทีนะก็คิดว่าออทำความเพียรเต็มที่แล้วพักสักหน่อยพอจเจเงตัวลงนอนนะหัวยังไม่ถึงหมอนหลังยังไม่ถึงเตียงนะก็บรรลุทำในท่า ไม่ใช่ยินเนินนั่งนอนถ้าระหว่างที่จะเอนลงไปคือคล้ายๆก่อนนั้นก็คงทำเที่ยวเต็มที่นะก็อาจจะตึงไปนิดนึงนะทำเต็มที่นะอาจจะอยากจะทำเลยมีความอยากเจอคนแต่พอคิดว่าจะพักแล้วก็วางออไม่ไม่ไม่เอาก็ ไม่ต้องมาตุ้ธำตอนนี้ก็ไดนะ้มันพอดีป่ะก็มีนะอืม <c oughs> คือมันตึงนิดหนึ่งนะบางทีพอพอผ่อนออกมาพอดีในเรามี เ, เกณฑ์ไหมเวลาบางทีทําในรูปแบบบงทีก็รู้สึกตึงๆมึนๆนะแต่พอออกไปเดิ น, นกลับไปมันมันก็รู้สึกตัวได้ดีนะ ไ, ไปหยิบแก้วน้ำํำไปทําอะไรบางคนตอนอาบน้ําอะมีสติดีมากเลยเออมันแบบ ตอนทำทั้งวันกลางวันยันอาจจะดูดูเหมือนไมน่ค่อยได้อะไรนะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็แต่พอออกไปนอกรูปแบบมันกลับพอดีก็มีอันนี้เ็าตึงสักหน่อยนะพอออกไปผ่อนคลายอีรียบอย่อยนะหรือออกไปทำนอกรูปแบบกับพอดีนะนะมันก็สังเกตบางทีบางครั้งเราเรา เดินจงกลมมากๆก็ทําคอนเทนต์มากๆ ม, ม, ม, ม, มีเหมือนกันนะบางช่วงมาเอาจริงกระจังกะกอนนะมันแบบใจมันต้องเที่ยวก็จะเอาอะไได้เอาอะไได้นะแต่พอบางทีพอจังหวะมันามานอนนะ ม, นนนนนะมันนอนเน่นๆนะมันก็รู้ของมัน เ, เองมันกับรู้สึกรู้แบบนี้มันสบายกว่า <c oughs> ตอนที่เอาจริงลอยจั ง, จงมันดูหนักๆนะแต่พอผ่อนออกมา ตอนเอียบวดย่อยนะมันกลับรู้สึกสบายนะพอนั่งพักก็แค่เหมือนปิดมือเฉยๆมันก็ดูด้วยมันก็ดูแล้วไม่หวานจะอะไรอ่าอันนี้ก็คือบางทีมันตึงนะถ้าเรารู้ว่ามันตึงมันก็จะปรับนะหรือบางทีมันตึงแล้วก็พอออกเอียบวดย่อยมันก็มันก็พอจีได้เหมือนกันนะออื แต่ต้องรู้จักว่ามันตึงเป็นแบบไหนเลยนะถ้าเราไม่รู้จักว่ามันตึงเป็นแบบไหนมันก็จะตึงไปเรืนะ่อยสาเหตุของความตึงก็คือความอยากนี่แหละนะนะอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเอาอะไรนะั่นหรือห้ามไม่้มันคิดนะอยากโดยเพราะเอ้ตัวอยากที่มันเคยได้ <c oughs> มันเคยมันเคยได้ผู้รู้แบบนี้นะชัดมากอ่มันเคยได้ความสงบแบบนี้นะนิ่งมากนะมันเคยได้ความสุขสบายแบบนี้โอ้ทอบมากนะให้ความรู้สึกแบบนี้นะมันเหมือนมันมันจะชวนให้เราเข้าไปหามันอีกอยากจะได้อีกนะอันนี้คือความอยาก หนึ่บัญชีความอยากก็อีกแบบนึ่งก็คือเห็นเพื่อนเขาพูดเห็นเพื่อนเขาว่านะเขาได้อย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่อยากไม่อยากใช้ใช้น้อยหน้าเพื่อนเนา ะ, นะเห็นเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนะ้วก็อยากจะได้อยากจะรู้ทํางเขาด้วยนะมองในแง่นหนึ่งทําให้เราขยันก็ดีนะแต่กลายเป็นธรำเพื่อจะเอาปเปลี่ยนนะ ไปเปรียบเทียบคนอื่นนะทำเพื่อจะไปอวดคนอื่นนะนี่มันหลงตรง น, นี้นะภาวนาจริงๆนะเปรียบเทียบกับตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเองแก้ไขตัวเองนะอืกับตนเองหมายถึงว่าอะไรแต่ก่อนเคยหลงมากเท่าไรนะตอนนี้เราก็หลงน้อยลงเนี่ยก็ถือว่าเรามีพัฒนาการแล้วนะ แต่ก่อนเนะี่ยวันวันหนึ่งไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะพอมาทำก็รู้ตัวมากขึ้นแล้วนะเนี่ยคือมีพัฒนาการนะไม่ต้องไปเกรียดเจียบกับคนอื่นแต่ให้เปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรารู้มากขึ้นไหมนะรู้ทันความหลงบ่อยขึ้นไหมนะเห็นความคิดเกิดขึ้นบ่อยไหมนะนี่คือข้พัฒนาการนะ เห็นความคิดเกิดขึ้นบ่อยก็ดีนะอแต่ก่อนไม่ใช่ว่ามันไม่คิดหรอกแต่เราไม่เห็นมันแต่พอมาทำแล้วมันเห็นบ่อยเออเห็นบ่อยเห็นบ่อยเดีย๋ยไปรําคามันนะเนีย่ยไปรําคาตัวดีเลยนะตัวคิดเนะี่ยตัวรักคิดขึ้นมาเนี่ยตัวปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเห็นมันรู้ทันมันเนี่ยตัวดีเลยนะ อ, อ่มัน มันแวเข้ามามันเกิดจากมันเองนะมันห้ามไม่ได้หรอกห้ามให้มันไม่คิดไม่ได้หรอกเรารู้ทันมันบ่อยๆนดีแล้วนะแต่บางทีมันก็คิดไม่ดีนะคิดเร็วไรลคิดลามกคิดอยากพายคิดอะไรก็แล้วแต่นะบางทีก็ธรรมดานะมันห้ามไม่ได้แม้แต่เป็นพระเองบางทีก็คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ก็มีนะคิดไม่ดีกับ เออเรื่องไลฟ์ไปอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่ดีแหละนะเท่าจะเราจะเรียกโดยสมมติว่ามันไม่ดีก็ใช่บางทีเราก็รู้สึกรู้สึกแบบละอายใจละอายใจคิดอย่างนั้นแต่เอาแค่ละหายใจก็พออย่าไปตาตัวเองโทษตัวเองนะว่าเราคิดไม่ดีเรารู้สึกไม่ดีนะอันนั้นเพราะว่าเราไปสําคัญมากหมายว่า ความคิดเป็นเราแต่จริงถ้ามีสติดูนะเออจิตมันคิดของมันเองนี่เราไม่ได้อยากจะรู้สึกเราไม่ได้อยากจะคิดแบบนั้นเลยนะนี่แหละจิตมันคิดของมันเองนะมันแสดงตัวตนให้เห็นว่ามันไม่ใช่อันมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใชของเรานะถ้าเป็นตัวเราเป็นของเร า, เราก็บังคับได้สินะ แต่จะคิดแต่เรื่องดีๆไม่อยากคิดเรื่องไม่ดีเราก็บังคับได้แต่นี่มันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นี่ธรรมชาติของมันแต่ก็มีแหละบางอารมณ์ที่มันแบบรู้สึกรู้สึกว่ามันเกียดตัวเองรู้สึกบังเกียดตัวเอ ง, ร ง, เเองหรือบางทีมันเห็นความคิดมากๆบางที่ก็เหนื่อยโอ้ทำไมไม่อยากเห็นอยากจะพักบ้างบางทีก็รู้สึกจะปฏิบัติต่อดีหรือเปล่าเนี่ยมันรู้สึก <laughs> มันรู้สึกทาไมเห็นกิ เ, กเลสเยอะเหลือเกินนะมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยเราเนี่ยนะแต่ก่อนคิดว่าเราดีนะแต่พอปฏิบัติไปเรืยโห้ยไอ้ไม่ดีมันทําไมมันเยอะเหลือเกินเลยนะนะไอ้ดีๆมันหายไปไหนอืมนทะี่จริงที่ว่าเราดีแต่ก่อนนะ่ะหลงดีนะหนะลงว่าเราถูกหลงว่าเราดีหลงว่าเราแน่หลงว่าเราเก่ง แต่จริงพอเราเห็นกิเลสบ่อยๆขึ้น่นะนะ้าดีกว่าดีกว่าไปหลงมาแต่เองดีนคือ <c oughs> เราเห็นว่าที่ผ่านมาเราไปหลงดีนะเป็น <c oughs> ไหมที่เรามีปัญหา ก, กับคนนั้นคนนี้ก็ก็เรายึดดีเราหลงดีนี่แหละใช่ไหม <c oughs> ถ้าเรากับคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้ น, นะางทีเรามาปฏิบัติธรรมเราสนใจธรรมะเขาต้องระวังนะ มางทีกลับไปที่บ้านมองสามีกินเหล้าไม่ดีนะมองคนนั้นสูบบุหี่นะแย่มองคนนั้นดูหนังดูละครนะไรสาระนะที่จริงเขาจะเป็นแบบไหนบางทีก็เลือกของเขานะแต่บางทีเราเองแหละเราก็เราเองก็ไปหลงนะหลงอีกแบบหนึ่งนะหลงไปว่าเขาหลงไป วิจารเข้าในใจเราก็ขาดสติอยู่แบบนี้นะอันนี้เราต้องระวังนะบางทีเรามาเรามาปฏิบัติธรรมละเราไม่ให้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะเพื่อจะโชว์เพื่อจะไปแสดงว่าเราดีกว่าใครเราเก่งกว่าใครเราสูงกว่าใครยนะแต่จริงยิ่งมีธรรมะมากขึ้นนะมันไม่ใช่เป็นการไปโทษคนอื่น นะตาหนิคนอื่นหรอมันมีแต่สงสารนะนะมันมีแต่ความสงสารมีแต่ความเมตตามตีความเห็นใจนะเราเราจะเห็นพอเราเห็นคนอื่นนะเราก็เห็นตัวเองนะแต่ก่อนเราก็เคยหลงแบบนั้นแหละนะแต่พอเรามีสติมากขึ้นเราก็เลยเออเราก็เลยเลิกมันได้นะเราสงสารคนที่หลงนะไม่ได้โกรธคนที่หลง คนที่ด่าคนที่ว่าเราคนที่อะไรต่างๆเนี่ยเขาหลงนะก็ เ, เลยทําแบบนั้นเนี่ยเราเห็นว่า น, นีนะ่มันสงสารเขามันเห็นใจแทนที่จะโกรธนะมันเห็นใจเห็นใจเขาเห็นใจเราด้วยเ <c oughs> นี่ยนคือเมตตาการุณามันก็เข้ามาแทนที่เลยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเจบ เป็นการย่อบรรโงท่านอะไรหลักแต่มันเห็นว่าที่จริงถ้าคนเราไม่มีสติเนี่ยมันก็หลงไปทั้งนั้นแหละหลงไปทางไม่ดีก็มีหลงไปทางดีก็มีนะไม่ใช่หลงนี่มีแต่ทางไม่ดีอย่างเดียวนะหลงทางไม่ดีก็ผิดศีลผิดธรรมนะหลงทางดีก็ติดดีติดบุญติดระบบติดสุขติดอะไรก็หลงเหมือนกันนะ บางคนก็หลงความรู้นะหลงว่าตัวเองรู้หลงว่าตัวเองเก่งหลงว่าตัวเองแน่โอ้ทางบ <c oughs> นโลกนี้นะมีแต่ทางหลงเยอะมากเลยถ้าเปรียบเทียบเหมือนทางถ้าเราอยู่ในป่านะโอ้ทางแยกทางที่เราจะหลงป่าเนี่ยมันเยอะนะทางที่จะออกจากไปจริงเนี่ยมีน้อยนะ <c oughs> แต่ก็ธรรมดานะ พอเราปฏิบัติเลยทำวิเลยมันมันสนุกในการเห็นความหลงตัวเองนะสนุกไหมเห็นความหลงอ่ะบ่อยเนี่ยมันสนุกนะเห็นมันหลงอ่ะแป๊บๆมันก็คิดอีกละแป๊บๆมันก็คิดอีกละเนี่ยสนุกไะสนุกมันก็จะเห็นนะ่เห็นมันก็มีแต่รู้กี่ับตัวของท่านนั่นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะ ถ้าไมีรู้ก็หลงถ้าไม่หลมก็รู้นะชีวิตนี้มีแค่นี้เองนะแต่มันจะหลงไปด้านไหนนะหลงไปไกลหลงไปนานหรือเปล่านะแต่ถ้าเรามีสตินะมันจะหลงไม่นานนะอันนี้ประเมินดูไปเองก็ได้นะมันอาจจะหลมบ่อยแต่หลงไม่นานหรอกรับๆนะความคิดรักหนึ่งรู้ทันรับหนึ่งรู้ทัน น, ท น, นะอันนี้แหละถือว่าเรามีความก้าวหน้านะในการภาวนาเนะี่ย อมันอย่างความคิดนะ่ะมันต้องหลงไปคิดก่อนแล้วเราค่อยไปรู้เราจะไปดักดูมันหลงเนี่ยไม่ได้นะ ừ, เราจะไปคอยแบบรอดูว่าเมื่อไหร่มันจะลงเนี่ยมันหลงตั้งแต่ไปรอดูแล <c ười> ไอตล้ตัวเนี้ตัวการเนี่ยนะไอ้พวกที่ไปคอยจ้องดูคือมันหลงตั้งแต่ตอนไปจ้องดูมันไม่รู้ทันตัวนี้แหละอืม ที่จริงมันต้องเผลอไปก่อนถ้าเราค่อยรู้ใหม่การที่เราฝึกสติแบบมีกรรมฐานแบบเนี้อาศัยกายเป็นเบื้องต้นเนี่ยมันจะปลอดภัยมันเหมือนเหมือนเป็นกำแพงเป็นบังเกอร์นะ่ะเหมือนคล้ายคลถ้าเปรียบเทียบกับเวลาเขาทําสงครามต่อสู้กันเรามีบังเกอร์เรามีที่บังทนะหารก็ต้องหลบก่อนแล้วก็ค่อยแว๊บออกไปยิงครับ แล้วก็หลบเข้ามาคืเราจะไปแบบยืนการแจ้งไปยิงเหมือนในหนังก็ไม่ได้นะต้องมีที่บังนะมีที่บังพอถึงเวลาก็ออกไปยิงเขากรรมาฐานของเราในการรู้สึกตัวเนี่ยอาศัยกายเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็คือมันเป็นที่บังนะมันเป็นกำลังนะเป็นตัวสติตอนที่เรารู้สึกตัวอยู่นี่แหละ มันก็ทำให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นจิตมันปกติมากขึ้นแล้วมันก็จะเห็นว่าที่จริงรู้สึกตัวเพราะว่าเราทำแบบทีละขณะนะเราไม่ใช่เอาตัวรู้เนี่ยไปจดจ่อตลอดเวลานะมันรู้เหมือนรู้เป็นทีละขณะนะเหมือนได้ยินเสียงนะเสียงที่มาพูดก็เป็นทีละคานะ ไล่เรียงไปจบทีล้ประโยคเลยประานัเหมือนตัวหนังสืออะมันตัวสอนนะมันก็อย่างเช่นหนังสือที่จะกการพิมพ์แบบนี้เนาะมันอ่านง่ายนะเพราะตัวตัวหนังสือมันไม่ต่อกันไม่ติดกันเนะี่ยมันมีโดดโต ด, ดไปรู้สึกตัวก็แบบนั้นนะทีละขณะทีลขณะไม่ใช่ปีรู้ยาวๆรู้ลากๆรู้แบบประคองนะ ประคองตัวรู้นะประคองอาการที่ถูกรู้อะไรเมนน่ะไม่ต้องประคองนะพอเรารู้เทียะขนาดบางทีกินเล็ก็แทรกเข้ามาในระหว่างช่องว่างนะช่องว่างการเคลื่อนไหวจะดีเนะี่ยธรรมดานะนะปล่อยมันแทรกขึ้นมาแล้วเราก็เห็นมานะอย่าไปกำหนดทีเกินไปมันจะกลายเป็นการเพ่งการเจ้านะ ทำสบายๆนะเหมือนทําเล่นๆไปมันก็จะเป็นเหมือนรู้กายเคลื่อนไหวประดับกับรู้ใจที่มันคิดอเราก็จะเห็นวนะ่าไม่แต่กายเคลื่อนไหวก็ดีหรือใจที่คิดก็ดีมันก็คือเพียงเพียงแค่อาการของรูปของนามตัวรู้เนะี่ยเป็นตัวหนึ่งอาการของรูปตัวหนึ่งอาการของนามก็ตัวหนึ่งมันคนละอันกันเลยนะตัวรู้อันหนึ่งนะ ลูกที่เคลื่อนไหวก็อนหนึ่งใจที่มันคิดก็อันหนึ่งมันคนละกันเลยเราก็จะเห็นว่าโอ้จริงจริงมันคุ้นละกันกันเลยมันะคุ้นละกันเลยแต่พอเราไม่รู้ตัวเองนี่แหละเราก็เลยไปส่วนใหญ่เราไปกับความคิดตัวรู้ก็เลยขาดไปเลยไปกับความคิดไกลๆนี่ยนละแต่พอเรารู้สึกตัวนะรู้ทันว่าเมื่อกี้มันคิด่ะมันก็กลับมาละกลับมาละ ตัวดักคิดตัวคิดมันก็จบไปแล้วเราก็กลับมาเห็นรูปที่มันเคลื่อนไหวรูปที่มันทำอะไรต่อเออมันก็นแค่นี้เองนะมันก็มีแต่รู้กบลบนะจิตก็ค่อยค่อยค่อยอ ย, อยเป็นอิสระมากขึ้นนะจิตมันก็จะเบามากขึ้นนะแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่เบาเหมือนเข้าสมาธินะแต่มันเบาคือมันไม่ไปยึดไม่ไปแบนะ่าไม่ไปจับนะ่ะ มันแค่รู้มันเหมือนแต่ก่อนเราที่เราไปจับมากไป่ะจับแน่นไปแต่แบบระลังก็รู้แบบรูบร้แบบแตะๆไม่ว่างรู้อยู่รู้แต่ไม่ไปไม่ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักในการที่อืใจ่ ดิ้ไม่ต้องไปไปทำอะไรกับมันจะได้ว่ารู้แบบไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องไปพยายามรักษาตัวรู้ไม่ต้องไปพยายามไปจัดการตัวหลงแค่รู้เฉยๆเนี่ยนะรู้แบบไม่ต้องทำอะไรเนะี่ยอันนี้คือมันเป็นเทคนิคที่สำคัญมากมาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจกนกรทั้งสืบทอดมาหลวพ่อเทียนหนละวง หลวงพอกรรเขียนนั้นสอนนะสภาวะที่ว่ารู้ซื่อๆนี่นะมันมันชัดเจนมากนะคําสั้นๆ น, นะรู้ซื่อๆก็คือใจเราซื่อใจบริสุทธิ์ในการรู้ไม่ต้องทําอะไรเลยเนะีมันมันจบตรงที่รู้นะจบตรงที่รู้แล้วตัวผมมันก็จบตรงนั้นตรงตรงนั้นแหละตัวทุกมันก็จบตรงตรงนั้นแ่ะนะนะ นะเราก็พยายามฝึกหัดกันนะอาศัยนะประสบการณ์ในการเขียนนี่แหละนะนะลองถูกลองผิดนะทดลองทดสอบดนะูทำแบบเล่นๆทำแบบสนุกๆทำแบบเรื่อยๆนะทาแบบเรื่อยๆนะนะแต่ก็เห็นหลายๆคนตั้งใจดีนะอาจามาก็ยังคิดเล่นๆนะ ถ้าอายุเราขนาดนั้นเราจะเดินไหวหรือเปล่าแต่เห็นโยมขยันขันแขมงนี่ก็เออน่าชื่นชมนะแต่ก็พอคิดไปก็เออดีแล้วเรามาฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละนะถ้ารอตอนนั้นเราจะได้เดินหรือเปล่าไม่รู้นะอืม่ยเกิดฝึกไว้ก่อนนะฝึกไว้ก่อนทำเหมือนกับว่าที่จริงก็จะนึก ถ, ถึงความตายบ่อยๆนะนี อย่างเมื่อวานเราก็ได้ดูอาจารย์กำพลเนาะเราได้พูดคุยกันบ้างวันนะี้คือถ้าเราคิดถึงว่าวันเวลาในชีวิตเราเหลือไม่มากหรอกวันนี้เราก็ทํามันให้มันเต็มที่นะทําให้มันดีที่สุดนะนะเราก็พอใจละที่ได้ทำนะมันมีความสุขในการได้ทํานะไม่ได้มีความสุขในการที่จะต้องได้อะไรนะมา คิดภาที่จริงนะได้ทำนะได้ทำทอทหารจาระอำงะคับได้ทอทงนะทำทอทงมันก็คืออันเดียวกันอะคือเราได้ทำนได้ทำเหตุที่มันถูกต้องใช่หมคือการปฏิบัติธรรมคือการที่เราได้ทำน่ะ ก็เป็นแค่นี้กันละน